ฉันพอสิทำนามานาน พร้อมเรียนด้วยความตั้งใจวัน ทนไไขไม่ได้เข้าไม่เต็ม อย่าได้ความพันธุ์พ่อยังไม่ทัน นั้นสําเร็จออกมาเหมือนกันเสีย